ซึ่งเม่เช้าได้นําเสน อ, อตามดูเวทนาะทั้งสามชั้นนะละเอียดกลางหยาบหรือหยาบกลางละเอียดทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตความรู้สึกกลางละเอียดของกายมีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของเวทนาทางจิตทั้งสามระดับอย่างไรเชิญบางคนที่ได้มีการวิจัยจเรื่องนี้เป็น นำร่องเป็นตัวอย่างสักสองสามคนก่อนแต่บ้างตัวเนี่ยมาชี้ตัวก่อนอท่านผู้ใดได้ฟังคอนเซปต์หลักที่มีผู้นําร่องไปก่อนวิจัยก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันก็จะให้แชร์ต่อกัอนทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้สําหรับบางคนที่ยังบริหารไม่เป็นจะได้ทําต่อในการเก็บบัลลังก์เข้มในวันพรุ่งนี้ได้ทําถูกบางคนก็ยังทําไม่ถูก ดนั้นเราก็จะขอฟังตัวอย่างจากบางคนที่ที่คิดว่าทําถูกเข้าใจผลของการทํานั้นอย่างไรเนี่ยก็จะขอฟังสักตัวอย่างสองตัวอย่างแล้วจากนั้นก็มีใครที่คิดว่าลักษณะอย่างนี้ก็ทําทําเหมือนเหมือนกับแบบนี้เหมือนกันนะแล้วเรามาแชร์กันดูหลายคนว่ายังเข้าใจไม่ชัดเจนก็จะได้เอาไปปรับได้ถูกต้อง บริยตรว่าเวทนาสมุสารนาเวทนาเป็นที่รวมร ง, รงปัญญาสารปัญญาเป็นแกนสารสติอธิปไตยสติเป็นใหญ่วิมุติประโยชน์สารมีวิมุติเป็นเราก็มาบริหารเวทนาว่าเวทนาสมุสารนาเวทนาเป็นที่รวมลงของธรรมทั้งหลายนะถ้าหากว่าใครบริหารเวทนาเป็นก็หมายความว่าอาจจะได้รู้ธรรม ก็เอาตัวอย่างจากพวนการบริหารเวทนาทั้งเวทนาทั้งกายเวทนาทั้งจิตเวทนาทั้งอารมณ์อะไรต่างๆหลายๆชั้นเนี่ย น, นเราขอฟังสักตัวอย่างนึ่งรุ่มตุนจากหัวนางคุณเป็นสีก่อนน ะ, ะใครจะเป็นคนเดินใหม่คุณรัชสิทธิ์ถึงตัวใหญ่ได้ก็เดินคร่องน ะ, ก, นะการเปนมรรการหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ ทุกคนแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านก็วันนี้หลวงพ่อได้ให้โจทย์เกี่ยวกับการตามดูเวทนานะในทางด้านร่างกายก็เลยตอนเช้าหลังจากทานข้าวแล้วก็ลองตามดูเพราะว่าทำแต่ครั้งตอนก่อนก็ ก, ก็ดูเหมือนตามเวทนาแต่ว่าไม่ได้ลงร า, รายละเอียดลึกหรือว่าไม่ชัดเจนก็ว่าได้นะพอ มีเวทนาขึ้นมาเราก็จะขยับปรับเปลี่ยนเหมือนกับเราตามดูแต่แต่มันไม่ได้ชัดเจนค่ะพอเมื่อเช้านี้ก็เลยตามดูให้ชัดๆว่าจะเกิดขึ้นกั บ, ก บ, กบยังไงดีเพราะว่าเรากินข้าวอิ่มๆก็เดิน เดินก้าวยาวมันขาตึงเอวตึงะสะโพกตึงมันใช้กล้ามเนื้อตัวไหนถ้าเราเดินก้าวไกลอก้าวออห่างก้าวไกลๆเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อตัวไหนมัง่งแล้วก็ถ้าเรากา้าวชิดๆใกล้ๆมันใช้ตัวไหนมั่งย่งเช่ถ้าใกล้ๆลองทําดูนะคะมันก็ใช้เฉพาะแค่กล้ามเนื้อตั้งแต่ใต้เข่าลงไป มันก็จะทำให้เราเข่ากับกล้ามเนื้อที่เล็กรับน้ำหนักก็จะทำให้เรามีอาการปวดตรงหน้าแข้งได้ถ้าก้าวไกลๆก็จะทำให้ใช้กล้ามเนื้อตรงะสะโพกหมุนกับเอวแล้วก็ขาบ้างด้านหลังก็จะทำให้มีอาการตึงฉะนั้นเราก็จึงปรับ มาให้ขนาดของเราความยาวของขากับก้าวของเราเท่าไรมันถึงจะพอดีที่หลวงพ่อบอกว่าตัดให้มันพอดีก็เลยลองลองก้าวสั้นก้าวยาวก้าวให้มันพอดีกับปลายเท้าที่ตัวเองลงแล้วมันจะไม่ได้รับน้ำหนักเยอะเพราะว่าเราก็มีเวทนาของหัวเขาเขาอักเสบ มาก่อนเวลาเดินเราก็ต้องใช้น้ำหนักส่วนของกล้ามเนื้อเอ็นยึดพวกนี้แทนแทนแทนการรองรับของหัวเขา่าเราก็เลยใช้อ่าของเราเองที่ทำเมื่อเช้านี้ประมาณครึ่งฝ่าเท้าไม่เกินฝ่าเท้าหนึง่งที่เราจะเดินพอดีกับที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากแล้วก็เดินได้ตลอด ตั้งแต่ช่วงทานข้าวเสร็จจนถึงเที่ยงจนถึงกินข้าวเที่ยงค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าจะนั่งนั่งก็เป็นลักษณะมันยังสงสัยก็เลยเอาให้ชัดเจนว่าเราจะพอดีน้าตรงไหนเวลาเราเดินมากินข้าวเดินอะไรเราก็จะใช้ก้าวขนาดนั้นให้มันใช้กับงานหรือว่าใช้กับเดินทั่วไปได้เลยอย่างนี้นะ ก็เลยทําจนอ่าถึงกินข้าวหลังจากกินข้าวไปแล้วก็ท้องมันยังตึงอยู่ก็เลยเดินต่ออีกว่าเราจะทําได้ตลอดถูกไหมแล้วก็พอพอเดินมันก็สบายตลอดไม่มีความคิดไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเพราะว่าเราอยู่แต่กับการดูการตามดู ก, การตึงกัน หย่อนของขาไปตลอดแล้วก็มานั่งสร้างจังหวะอยู่พักแล้วก็ดูว่าการยกจังหวะของเราอันไหนจะใช้กําลังกล้ามเนื้อส่วนไหนน้อยที่สุดเหมือนกับแค่จะไม่ได้ใช้เลยเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานอยกเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งแกว่งแบบอถ้าเร็วเกินหรือแรงมันก็จะตึง กล้ามเนื้อหลังแขนไปถึงหัวไหล่จะทำให้เราปวดไหล่ปวดแขนได้เราก็ทำให้มันเหมือนลุกตุ้มนาฬิกาพอดีกับไม่แรงไม่ตึงของเราขนาดไหนพอดีก็ก็ทำได้จนจนถึงจนเย็นค่ะก็ลักษณะการดู ของเวทนาก็ก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะปวดหรือมีเวทนาเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลให้เราเพิ่มไปอีกนะถ้าเรามีอาการปรวดของอย่างเช่นเราเดินก้าวยาวเรามีอาการปรวดของสะโพกเอวมันก็จะมีความคิดใจของเรามันก็จะมีความคิดขึ้นมามาีการปรุงแต่งอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะแต่ว่าถ้าเราเดินแบบแบบไม่มีการเ จ, จ็บปวดมันก็จะไม่มี ส่งผลถึงจิตใจเราว่ามันจะทำให้เราฟุ้งซ่านหมุนหมิดอะไรพวกนี้นะคะถ้าเรามีอาการปวดอยู่มันก็จะส่งผลไปทำให้จิตใจของเรามีมีผลต่อจิตใจของเราด้วยเราก็เราก็จะเบื่อขี้เกียจเพิ่มต่อไปอีกถ้าเรายังมียั ง, ย, งยังแก้ไขาการเจ็บปวดนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้น ตอนเช้าเนะี่ยที่ทำไม่มีความเก็บกดเราทำได้ตลอดโดยที่เราสบายใจไม่มีความคิดเข้ามาแทรกเลยก า, การนมัสการพระภิสูุแล้วก็ของโยมจะเห็นเริ่มสังเกตเวทนาครั้งแรกคือตอนอาบน้ำแล้วรู้สึกถึงความร้อนพอเห็นความร้อนที่ใจว่ า, าทำไมมันมีแต่ตั้งแต่นั้นก็เริ่ม สังเกตการกระทบกระทบของกายที่กระทบต่อผาสาตต่างๆเช่นการเดินเดินเท้ากระทบพื้นมันจะมีความแข็งความแข็งแล้วก็ถ้าพื้นมันเย็นมันก็จะมีความเย็นมันจะมีความหย่อนความตึงของขาตั้งแต่นั้นใจมันสนใจอะ่ะสนใจว่าเอ๊สภาวะนี้ทาไม ทำไมมันไม่มีอะไรเลยทำไมมันมีแต่ทาไมมันมีแต่สภาวะแบบนี้ก็เลยทำให้เดินดูเดินไปไหนก็จะดูจะดูตรงเนี้ยดูไปเรื่อยจนกระทั่งมาเข้าคอร์สหวงพ่อเที่ยวสมมาตาเดินปฏิจิการปีที่แล้วเดินดูอยู่สองวันจนมันเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นคือคือคืออะไรแล้วก็ เดียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อแจ้งว่าตัวนั้นเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นเป็นตัวปรามัตดให้เดินดูตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอเกิดอาการอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อแจ้งว่าอย่างนั้นคือก็หายสงสัยคราวนี้จิตมันจิตมันน้อมลงไปดูตัวนี้เองอัตโนมัติจะอยู่บ้างหรือจะมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่นั้น การเดินจงกรมตลอดทั้งวันจะสี่ห้าชั่วโมงมันจะไม่มีความปวดเมื่อยคือคือมันมีแต่ตึงหย่อนแข็งไปตามสภาวะตามความเป็นจริงแต่ความปวดเมื่อยทางใจอ่ะที่เรายึดว่าคือเราเดินเราต้องการหาหนูน่นหานี่มันทรมานไอ้สภาวะเนี่ยมันหายไปเองเพราะว่าเรา เข้าใจว่าน่าจะดูถูกจุดตรงนั้นมันสลายเวทนะทางใจไปด้วยค่ะไม่เวทนาวันนี้คุณยังไม่มาถึงเลยนะคุณคนยังอยู่ที่จะดูตัวเวลานั่งยกมออือวันนี้นั่งยกมือเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอาการง่วงเข้ามาบ้างปกติตัวง่วงเนี่ยมันจะมีระดับหนึ่งถึงสิบของของตัวเองอนะคะอะช่วงคอแรกๆเนี่ยจะง่วงหนัก ถึงเลขสิบเลยแต่พอมาเข้าใจตัวนี้แล้วก็โดนหลวงพ่อแจ้งว่าอะไรอ่ะไม่ไม่มีความศรัทธามาเลยง่วงตั้งแต่นั้นแบบจิตมันไม่ยอมรับมาว่าเราไม่ศรัทธาแล้วคือไม่ยอมให้หลับเลยไม่ยอมให้ตัวง่วงเข้าเลยวันนั้นคือด้วยความแบบมันโมโหเลยรู้ว่า เออจริงๆพอเราผ่านตรงนั้นมาได้จริงถึงยอมรับที่หลวงพ่อพูดว่าเราไม่มีศรัทธาคือความเพียรเราไม่พอศรัทธาเราเรายังไม่ถึงเราเลยทำหย่อยๆแย่ ๆ, ๆ, ๆตัวง่วงมาถึงเข้ามาได้พอ ต, ตั้งแต่นั้นรู้จักตัวง่วงมากขึ้นมันก็ลดลงในระดับที่แบบจัดเป็นช้างกลายเป็นมดเลยแต่ พอม า, มาบาังคอที่สถานที่เอื้อมหน่วยมากๆอย่างเช่นที่หนองพักหลอดเนี่ยเข้าไปจะไม่มีจะไม่มีนิวรเลยโยมก็สังเกตสังเกตสภาวะตัวเองมาเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันไม่มีแต่ก็ปฏิบัติแบบสบายๆนั่งพิงเก้าอี้ยังไงก็ไม่มีความรู้สึกน่วงมันจิตมันรู้ตัวรู้ตัวเรื่อยๆสบายสบาย เบาๆพอมาที่นี่นะคะเริ่มต้นสองสวันแรกมีตัวง่วงอยู่ในระดับระดับหนึ่งถึงสองเห็นแล้วก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่ามันไม่มันไม่จบมันมีมาวันละเล็กวันละวันละน้อยพอวันนี้นะคะนั่งนั่งยกมือในเต้นก็มีตัวง่วงเข้ามา ปกติพอพอเห็นปุ๊บเราจะเปลี่ยนท่าคือไล่มันก่อนที่มันจะเข้ามาอินแต่คราวนี้ปล่อยป่อยป่อยแล้วมันเข้ามาชนกับตัวสติข้างในมันกระทบกันเหมือนเหมือนเป็นน้ำทะเลกระทบกับหาดทรายแล้วก็กระจายหายไปพ อ, อตั้งแต่นั้นตัวมันมันก็ไม่มีละ คารู้สึกง่วงไม่ไม่มีแล้วคราวนี้นั่งนั่งยกมือได้ตลอดจะพยายามยกมือมากกว่ามากกว่าเดินออกมาเ<า>ดินเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำอะค่ะสองรอบแบบเรนหลวงพ่อไม่ทราบถูกต้องหรือเปล่านี่ยคือโยมดูเวทนานี่ก็เออโยมก็น่รู้สึกตัวไปเรื่อยแล้วพอมันเริ่มอาการปวดหลัง มันก็ไปรู้สึกถึงเวทนาที่หลังเราก็ดูมันว่าใจเรารู้สึกยังไงกับมันเราทุกข์กับมันหรือเปล่าเราไม่ชอบมันไหมหรือว่าเราเฉยๆพอเราใจเราเออไม่เป็นไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปเวทนานี่ก็หายไปก็มาดูใจอีกว่าเออใจมันรู้สึกดีใจแปลกใจตื่นเต้นหรืออะไรสงสัย Ừ, ก็ดูไปอย่างนี้คเจ้าค่ะแล้วก็อย่างเวลาโยมจะเปลี่ยนท่านเนี่ยโยมก็จะดูใจว่าเราเปลี่ยนท่านเนี่ยเพราะอะไรเราเริ่มรู้สึกใจเป็นอยากเปลี่ยนหรือว่าเราเราควรจะเปลี่ยนแล้วหรือว่าเออเราเมื่อยขาเราถึงเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าตอนที่เราก่อนเปลี่ยน ความปวดของของของกายมันอยู่ระดับไหนใจมันอยู่ยังไงแล้วก็พอเปลี่ยนปั๊บไอความความเมื่อยของขาเนี่ยมันหายไปมันหายไปแล้วก็ใจมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างจเจอบาง่ีตาเหลือบไปมองเห็นอะไรรู้สึกว่าแบบ มันมีความรู้สึกว่าเออเราชอบขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเห็นวิวเห็นออนกอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยก็เ อ, อ๊ใจมันชอบขึ้นมาเรามันก็จะวืบมาจับดูว่า อ, อมันชอบเพราะอะไรมันได้ยินมันยังไงแล้วไ อ, อ้ดูความชอบทั้งนั้นว่าสักพักความชอบมันก็จะหายไป แล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยเจ้าค่ะประมาณนี้เห็นอ น, นิจังมีผลต่อความชอบไม่ชอบมั้ยไปเห็นอันนิจังภายนอกภายในมีผลต่อความชอบไม่ชอบมั้ยอ๋อมันมีผลกับความความความเป็นตัวตนเกิดขึ้นว่า เราเหมือนกับว่าเราไปพิจารณาแล้วเราเห็นอันนี้จังขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีคนเห็นขึ้นมาว่าเราเป็นผู้เห็นนะมันมีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วพอเรารู้ตัวว่ามันมีตัวตนเกิดขึ้นมามันก็มันก็มันก็ไม่มีแล้วจะ่ะค่ะ แล้วหลวงพ่อเมตตามาชี้แจงโยมก็เข้าใจแล้วกราบนมัสการหลวงพ่อและหลวงพี่นะคะสวัสดียาติธรรมทุกท่านเลยค่ะวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อแก้ปัญหาถ้าทําได้ละมานจะไม่ผจนใช่ไหมฮะก็มีไม่รักสวยรักงามไม่กินไม่กินไม่กินจุกไม่กินเยอะไม่กินจุกจิกไม่กินเยอะ แล้วก็มีสติสีไม่ขี้เกียจแต่ขี้เกียจเนี่ยบางทีเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจว่าขี้เกียจชอบจะเถียงหลวงพ่อเลยว่าไม่เคยขี้เกียจแต่ตามหมายขี้เกียจในครั้งนี้คือคือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ทํามันคือขี้เกียจคือเราไม่ชอบนั่งทนเราปวดขาเราก็ไม่เราก็ไม่ทําคือไม่มีสันท้าไม่มีความรักอยากจะทํำเราก็เทียบดูว่า เอ้เราปวดขาเลยยังยอมไปเต้นแอลบิกทั้งที่ปวดขาเลยมันก็คนละเรื่องอันนี้ลองทําดูมันจะเป็นอะไรก็ก็เป็นไปพอได้ทําไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าไม่มีมารจริงๆรความง่วงก็ไม่มีส่วนขาเนี่ยถ้านั่งไปเยอะๆมันก็ปวดปวดก็รอดูจนกระทั่งว่าจะปวดขนาดไหนไม่ทําอะไรเลยปล่อยไปเรื่อยๆแต่มันใจมันไม่รู้สึกอะไรนะคะ นจนกระทั่งว่าต้องยกออกอ่ะยกออกยกออกมันก็ไม่เห็นสุกนะฮะก็วันนี้ก็ก็ทําได้พยายามทําอาฮะก็ได้ทั้งวันถ้าแต่เป็นคนที่มีความคิดเยอะชอบคิดมีอะไรไปเจออะไรปับ๊บมันจะคิดทันทีแต่วิธีการ <c oughs> ลดความคิดในเวลาเดินเงี้ยก็เดินไปถ้ามันมีความคิดเยอะเราก็พร้อมลมหายใจบางทีก็ก้าวหนึ่ง หายใจถ้าช้าก็เก้าหนึ่งหายใจเข้าเก้าหนึ่งหายใจออกถ้าเดินเร็วเราก็อ่านที่สองเก้าถ้ายังไม่หยุดความคิดอีกเราก็ดีดนิ้วด้วยลมหายใจทั้งรู้สึกที่เท้าแล้วดีดนิ้วมาได้เคย น, นําเสนอว่าวิธีแปลงตัวคิดให้เป็นตัวรู้ตรงนี้ได้ลองพยายามทําดูวิธีแปลงเวทนาให้เป็นสติวิธีแปลงตัวคิดให้เป็นตัวรู้เนี่ย ตรงนี้ไม่พยายามเข้าใจหรือเปล่าจะไปหาวิธี ทำอย่างอื่นลักษณะที่เป็นการบทนหังด้วยกันกสะกดนะแต่ mm hmm. หาวิธีเทียบแปลงตัวรู้ให้เป็นตัวคิดให้เป็นตัวรู้เนี่ยได้คุณนี้เข้าใจคนี้ถ้าเราวิ่งมาอยู่กับลมหายใจ mm hmm. หรือว่ามาอยู่กับการกระทบมันก็จะหาย อ, อ้าวหนูไม่ได้ทําก็คือว่าบอกไม่ให้คิดหนูก็พยายามตัดความคิดทิ้งมีความคิดว่ามันเป็นขยะหนูก็ตัดความคิดทิ้ง อ, อ๋อถ้าอย่างนั้นหนูก็จะเห็นความคิดตลอดแล้วก็ตามความคิดได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําแต่ก็ก็เคยถูกหลวพ่อว่า ไม่แบบคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ตามความคิดแม่อ้วก็บอกให้หนูคิดไปแล้วดูซิจะทํำยังไงว่าดูซิดูซิความคิดมันจะจบที่ตัวดูจนจบมันก็จะตัดสินว่าจะทําหรือไม่ทําอย่างมองก็เลยว่าจะพูดหรือไม่พูดอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเออพูดแล้วเขามีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับเขาไหมพูดแล้วเราดีเอาดีใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะเลือกพู ด, ดเข้าใจเวทนาอย่างไรที่ทํา เดินจุ่มทั้งวันนั่งช่างจังหวทั้งวันเนี่ยเข้าใจความรู้สึกการรู้สึกใจเป็นยังไงอันนี้ใหม่มากๆเลยนะดูว่าจะเข้าใจอะไรรู้กว่าคือว่าพี่ล่าไม่เข้าใจว่าที่หลวงพ่อพูดว่าให้ดูจิตนะเจ้าค่ะโยงก็บอกเอ๊กก็ไม่รู้จะว่าดูจิตดูยังไงก็ดูก็ดูเท้าก็รู้สึกว่าเท้าเนี่ยกระทบพื้นมันอ่อนมันนุ่มมันแข็งก็รู้สึกแต่แล้วมันจิตจะดูตรงไหนโยงก็ไม่เข้าใจตรงนี้แห้ะจะท้านมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตยังไงเพราะว่า พี่ยมเคยไปไปฏิบัตินี่จ้าเขาบอกให้ดูด้ความรู้สึกของเราว่าเราเป็นยังไงตามจิตให้ดูรู้ว่าตรงไหนจะบอกเอ๊ดูจิตดูยังไงเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะจา้าแต่ว่าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังก็เข้าใจนะจ้าว่าจิตให้เรารู้ตัวหมดทุกอย่าง น, นจะจ้าว่าการเราทําอะไรหรือมันเรายกแก้น้ําเนี่ยให้เรา <laughs> เรารู้ว่าเรายก <laughs> เ, คเคยว่าเคยเคยฟังพี่อาจารย์สมภพท่านสอนนะจ้าท่านบอกว่าก็ให้ตามรู้มันไปว่ามันคิดอะไร มันจะฟุ้งยังไงก็ให้มันรู้ว่า ane, มันฟุ้งยังไงก็ตามให้ตามรู้ว่าเออนี่เราฟุ้งเรื่องนี้นะมีเราฟุ้งเรื่องนี้นี่เราคิดเรื่องนั้นนะเรื <temper our. S 1> อ่องคิดเรื่องนี้ก็มันไม่ค่อยหยุดจังมันก็มีเรื่องใหม่มาให้คิดอยู่เรื่อยจังเวทนาก็ถ้าสามระดับแค่เดินขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยครับเขาแล้วครับอยู่พื้นราบมาตลอดแล้วก็พอไปถ้าไปเดินในลานทรงกลมไปหยียบเม็ดทรายอย่างเงี้ยครับก็ เจ็บขึ้นมาก็ถ้าไปเดินพื้นทรายหรือพื้นดินธรรมดาก็เป็นเป็นระดับเบาๆหรือไม่ก็มีความตึงที่ขาแล้วตามที่ฟังแล้วการการจัดการกรับเวทนาเรื่องเขาเข้าใจีสำคัญมาเพิ่งทราบว่าสิ่งที่เราบอกคีก่น้ทุกคนเข้าใจพอพาทาแล้วปรากฏว่าไม่เข้าใจพูดถึงเรื่องเอ็กซ์เซอรายตอนเช้านะรู้สิธิเอ องพ่อบอก่ไม่ได้บอกให้หยุดลมหายใจนะว่าหายใจเข้าขึ้นแล้วหายใจออกลงเอาไว้มาหลายคนเกิดทำตามไม่ได้แสดงวหายใจสั้นไปหรือเปล่า mm hmm. ก็มาฟังคุณอนุพสิทธิ์บอกว่าองพ่อบอกให้กั้นลมหายใจไม่ได้บอกฮะไม่ได้นนะ <c oughs> ไบอกให้กั้นนะแต่ทำไมลมหายใจเกิดสั้นขึ้นมาแสดงว่ากั้นเอาไว้นะ อ่าหลือสมุติที่ไทยคิดเอานะบางทีอาจจะไม่ได้กันก็ได้นะที่เน้นเรื่องนี้นักหนาวเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลามันเป็นสิ่งอะไรที่ใกล้ที่สุดถ้าเรามองสิ่งที่ใกล้ที่สุดไม่เห็นเนี่ยสิ่งที่ลึกและสิ่งที่ไกลเนี่ยจะมองเห็นได้อย่างไรที่เน้นเรื่องเวทนานี่นะเพราะมันมีตลอดเวลาแล้วถ้าหากว่าเรา รู้จักเวทนาแล้วเราจะไม่กลัวเวทนาเราจะบริหารเวทนาเป็นเราจะทำอะไรได้เยอะมากแต่โดยที่เรายังยังกล้ากล้ากลัวกลัวกับเรื่องเวทนาเช่นเราจะยกอะไรหนักสักอย่างหนึ่งถ้ามันรู้สึกเกินกำลังนิดหนึ่งเราไม่ขยับต่อละเราก็ถอยนะจะออกแดดสักนิดหนึ่งรู้สึกร้อนนิดล้วก็ถอยห่างเข้าลม ถือกำลังปฏิบัติอยู่พอฝนตกต่อเปรอะๆลงมาก็เชหาทางหลบข้าวลมแล้วอย่างเนี้ยคือยังคือกลัวเวทนาตรงนั้นมากเลยอ่ะเพราะด้วยด้วยเวทนาที่เกิดตัวประธานในเวทนาถ้ามีอะไรเวทนาอะไรมากระทบเนี่ยขอให้ข้าดูอยู่ไปสักพักก่อนอย่าเพิ่งหลบตื่นไปแดดมันออกก็อย่าเพิ่งรีบก้าวเราเดินตากแดดดูเป็นยังไง หรือแม้มรกระทั่งมีเม็ดฝนตรกลงมาสักไม่ดสองเม็ดก็กอย่าเพิ่งคิดว่าฝนตกก็ เ, เดินไปสักพักนึงมันอาจจะหายไปคือบาง ท, ทีเวทนาตัวเนี้ยพอมันอุปทานมันเข้าแล้วมันหลอกเรานะเพราะนั้นเลยอยากจะให้กลับมารีวิวเรื่องนี้ใหม่เรื่องเวทนาอยากกลางไลเอียดนะเพราะว่าถ้าหากเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยมันมันไปไปได้ไวนะ แล้วก็สามารถที่จะอ่าเรียกว่าคุมบางเหียนของความคิดได้ด้วยเพราะเรารู้ว่าก่อนที่มันจะง่วงถามว่าความง่วงเนี่ยเป็นเวทนาหยาบหรือเวทนากลางหรือเวทนาละเอียดความง่วงควจะเป็นเวทนาหยาบกลางหรือละเอียดเห็นด้วยคุณนุบสิทธิ์ไหมว่าเป็นเวทนาละเอียดเพราะง่วงมันต้องมีที่มาใช่ไหมที่มาของความง่วงคืออะไรอะ่ะความเพลินใช่ไห ม, ไหมอ่าก็นในแสดงว่าความเพลิน ระหว่างความเพลินกับความมัวอันไหนหยาบในละเอียดกว่ากันทีนี้อะไรเป็นสาเหตุของความเพลินไม่ใช่ความโผล่มันต้องมาจากอีกทางหนึ่งความเพลินมาจากอะไรนะความรู้สึกสบายที่กายเหมือนนั้นแล้วความรู้สึกสบายกายกับความเพลินอันไหนหยาบในายละเอียดอ๋อเข้าใจคําถามไหมระหว่างความสบายกายกับความเพลินอันไหนเป็นกลางอันเปหยับในละเอียดความเพลินกับความสบายกายอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามเพลินเป็นนามนะ เป็นอาการร่วมทีนี้ความสบายที่เมื่อสบายเราไปเข้าไปเสพในความสบายนั้นมันจะเกิดเป็นความเพลินใช่ไหมดังนั้นความสบายกายจึงเป็นต้นต่อให้เกิดความเพลินน้อความเพลินหรความสบายอันไหนเป็นเป็นเวทนาอยาบอันไหนเป็นเวทนาดงนั้นความสบายกายกับความง่วงก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันหยาบเหมือนกันความสบายทําให้เกิดความเพลินใช่ไหมความเพลินทําไม่เกิดความง่วงใช่ไหม มันจะต้องตัวมีตัวละเอียดตัวหนึ่งตัวหยาบตัวหนึ่งตัวกลางหนึ่งน่ะทั้งสามตัวเนี่ยตัวไหนควรจะเป็นหยาบตัวไหนจะเป็นกลางตัวไหนเป็นละเอียดระหว่างความสบายกายความเพลินเรื่ความเพราะทางเป็นเหตุเป็นผลต้องการอะไรกันอใช่ไหมความสบายกายที่เราเสพกลายเป็นเพลินความเพลินที่เราเสพกลายเป็นง่วงความง่วงที่เราเสพก็จะกลายเป็นความขี้เกียจและความฟุ้งซ่านตามําดับและความผือก็ตามมา เพราะฉะนั้นตรงนี้ความสบายกายมีตลอดเวลาหรือมีเป็นบางครั้งความเพลินก็จึงมีเป็นบางครั้งความเผลอก็จึงมีเป็นบางคราวใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เห็นลำดับของที่มันเติบโตอ่ะเอาทีนี้ความเผลอก่อให้เกิดอะไรนะความเผรอก็ให้เกิดความฟุง้งนซะ่านน่ะ ทีนี้ความฟุ้งซ่านกับความเผลอในหยาบอันไหนกลางอันไหนอันไหนละเอียดเพราะความฟุ้งซ่านเป็นผลผลของความเผลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเผลอต้องละเอียดกวา่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นหยาบทีนี้ถามว่าอะไรเป็นให้เป็นสาเหตุให้เผลอทําไมไม่รู้สึกตัวเพรรู้สึก <laughs> มันจะต้องรู้สึกอเรากาลังพูดถึงรวมรู้สึกระดับเวทนานะจะบอกว่าไม่รู้สึกตัวได้ไงกายมันรู้สึกอยู่อ่ะ เพราะว่าความสบายก่อให้เกิดความเพลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเผลอก็คือความไม่สบายกายแต่ความไม่สบายกายที่เราไม่ได้กําหนดมันก็เลยก่อให้เกิดความเผลอความเผลอจึงไปเห็นให้เกิดความฟุ้งซ่านตามมาเอออันนี้ไปไปพิสูจน์นะไม่ต้องตามไม่ต้องเชื่อตจำระดับที่มาให้เวลาต้องไปพิสูจน์ <c oughs> เพราะเราเคยตกลงกันแล้วว่าความเพลินเนีมักจะทําให้เกิดความง่วงเสมอใช่ไหมและความเผลอมักจะทําให้เกิดความฟุ้งซานและขี้เหยียดเสมอดังนั้นก็ต้องหาเหตุว่าระหว่างความอ่าสบายกับความไม่สบายเนี่ยอันไหนเป็นเหตุของการอะไรกันความสบายกายกับความไม่สบายกายความไม่สบายเกิดเกิดก่อนและความสบายกายตามมา หรือความสบายกายเกิดก่อนแล้วความไม่สบายกายตามมาเอาล่ะมีปัจจัยแทรกขึ้นมาแล้วปัจจัยขอแถลงเนาะโยมตาปัจจัยอย่างไรว่าให้ละเอียดนะกล่าวได้ไหมว่าความสบายก็คือความไม่สบายนั่นเองมะม่วงอ่อนและมะม่วงแก่ก็เป็นมะม่วงลูกเดียวกันใช่ไหมนั้นเร า, เราเกล่าวได้ว่าความสบายและความไม่สบายคือสิ่งเดียวกันแต่คน ล, าาละวาระอ่าได้แล้วอันนั้จึงบอกว่าความสุขกับความทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันแต่เกิดคน ล, าาละวาระ วันนัวันนี้เอามาจึงถามลุงสิทธ์กับกองบาอันไหนเป็นลู่อันไหนเป็นนามถามนี้ใช่ไหมเออเรื่องสิทธ์ต่อบว่าไงก็ไม่ใช่ถามหมอน้ำสิอันนั้นนี่ความหนักกระเบาอ่ะอันไหนเป็นลู่อันไหนเป็นนามใช่ไหมโมฟีหน้าเลยนะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าเพ้วเราก็หนักกระบอไหนเป็นปลู่เป็นนามนี่ยังไม่ชัดใช่ไหมฟูดฟังอีกครั้งมีสมาชิกทวงมาบอกว่าระหว่างความสบายกายความเพลิน แต่ความง่วงอันไหนเป็นหยาบอันไหนเป็นกลางอันไหนเป็นละเอียดง่วงเป็นหยาบเพิงเป็นกลางสบายเป็นละเอียดโอเคถูกต้อง <c oughs> นะแล้วทีนี้ระหว่างฟุ้งซ่านเผลอและไม่สบายกายอันไหนเป็นหยาบเป็นกลางละเอียดไม่สบายกายเป็นละเอียดอ่าเพราะมันกําหนดยาก <c oughs> แต่ถ้าเรากําหนดสบายกายตั้งแต่แรกมันก็ไม่ต้องเผลอและไม่ต้องฟุ้งซ่านใช่ไหมแต่เราลืมกาหนด อย่มัน้ำนั่งจนเน็บเลยก็มไม่ได้กำหนดเพราะอะไรเพราะถ้ากำหนดแล้วมันจะไม่ถึงกับเน็บแค่ไม่สบายนิดหน่อยก็ก็ปรับออกแล้วมันจะทําให้เผลอไงเลยไม่ง่วงวันนี้คิดฟุ้งซ่านเลยเพอเผลอไปแล้วมันไม่ง่วงเ <c oughs> ป็นกันไปไปหาคําตอบให้ชัด น, นะเพราะนั้นอยากจะให้ลงมารายละเอียดเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้ตัวและเกิดตลอดเวลาด้วยเกิดตลอดเวลาด้วย ฉะนั้นในสูตรที่ท่านบอกว่าวินัยะโลเกอวิชาโทมาสังให้ละหรือให้ตัดความพอใจและความไม่พอใจความพอใจก็คือความเตือนใช่ไหมความไม่พอใจคือความมันมาจากเผล อ, อะละเป็นเหตุให้เผลอเนะพราะไม่ไม่พอใจเกิดมาจากความไม่สบายกาย และความไม่สบายกายก็เกิดมาจากความที่เราไปไม่ได้กําหนดก่อให้เกิดเผลเหรือแล้วก็เลยทําให้คิดก็มาจากความเกิดให้ความไม่สบายใจทีนี้ตรงนั้นะ่ะมันละค่อนข้างจะไปปลายแล้วต้นมันจริงๆคือความรู้สึกไม่สบายแล้วไม่ตามรู้ตามรู้แล้วแช่อยู่ไม่ยอมปรับตามรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสมูทยัยว่าความไม่สบายกายเนี่ย มาจากไหนถ้าเรารู้ว่ามาจากที่เราไม่ปรับปริยยาบุตรเราก็ปรับออกซะถ้าเราไม่ยอมปรับมันก็จะเป็นสมุทัยให้เกิดความไม่สบายใจเป็นสมุทัยแล้วแต่ในช่วงที่ขาไม่สบายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสมุทัยนะถือว่าเป็นกฎของไตรลักณที่ปวดขาเนี่ยไม่ผิดเพราะเราตามรู้เท่านั้นเองแต่เมื่อใดเราลืมตามรู้มันเกิดความไม่พอใจในความเพราะ ความไม่สบายกายเป็นเหตุนั้นตรงนั้นเป็นสมุทัยแล้วเรียกว่าโทมนตสคือความไม่สบายใจความสบายกายก็เป็นธรรมชาติที่เกิดจากตรลักษณ์แต่การที่เราไม่ตามรู้ความสบายกายแล้วพยายามไม่เสพถ้าตามรู้เพื่อที่จะไม่เสพถ้าเราไปเสพเมื่อไหร่เป็นสมุทยัยถ้าความสบายกายโดที่รู้ว่ารู้แล้วก็รับรู้เออ มันเกิดขึ้นก็รับรู้เป็นความสุขโดยธรรมไม่ได้เสพแต่รับรู้อาหารมีสิทธิ์ที่อร่อยได้แต่ว่ารู้ว่าอร่อยแต่ว่าไม่เข้าไปเสพติดอร่อยก็ไม่เป็นสมูทไทยแต่เป็นกฎของใจรักซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นตัวที่มันจะเป็นสมุทไทยหรือไม่ดูที่ว่าเราไปชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบไม่ชอบก็เมื่อไหร่เกิดเป็นสมูทไทยเพราะนั้นผู้เรียบอกให้ละทันที แต่ความไม่สบายกายไม่ความสบายกายไม่สบายกายเนี่ยก็ไม่เป็นสมูทยัยแต่เป็นกฎของใยรักแต่การที่เราไม่เข้าไปตามรู้แล้วเข้าไปเสพนั้นตรงนั้นเป็นสมูทยัย น, นั้นการตามรู้เวทนาหนักเบาสบายไม่สบายเวลาเกิดปวดเขาขยับให้มันออกอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องที่เป็นกฎของตใยรัก สบายเปลี่นเป็นไม่สบายสบายเปลี่นสบายเปลี่นเป็นไม่สบายไม่สบายเปลี่นเป็นสบายก็สลับกันไปสมาอยู่แค่นี้เพียงแต่เข้าไปรับรู้เท่านั้นเองแต่เมื่อไรเราไม่เข้าไปรับรู้โกฎของไตรลักษณ์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนมาเป็นเวทนาทางใจทั้งสามนะพอใจไม่พอใจเฉยๆเปลี่ยนมาทันทีแต่พอเราก็ไปตามรู้เวทนาทั้งสามความสบายไม่สบายและความไม่ชัดทั้งสองอย่าง เราเข้าไปตามรู้มันมันก็จะกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาทันทีเหมือนกันเนี่ยเห็นไมที่ว่าเข้าไปไปตามรู้เวทนาเนี่ยมันมันเห็นผลชัดนะแต่ว่าเมื่อเราไม่แยบใครนะจุดเนี้ยจิตของเร า, ารเ่แก่ใกไ้เผอไปไปดูอะไรมากๆเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยละเหตุของ ทั้งหลายทั้งปวงที่มันมารวมกันแล้วแทนที่เราจะเอาที่ตรงนั้น่ะเวทนาสมูสารนาเวทนาเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายมันมารวมกันแล้วเนี่ยเอาจุดตีจุดนี้เลยไม่ต้องไปเอาจุดอื่นนะพอทีจุดนี้ให้แตกมันก็มันก็ไม่มีจุดอื่นไงเพราะฉะนั้นดังเวทนาจึงมีอยู่แล้วแต่ละเวลาขณะนั่งเนี่ยทุกคนก็เวทนาเป็นหนักใช่ไหมความหนักเป็นความไม่สบายกายพอพลิกไปป๊อความหนักก็หายทันที นะคิปตาเดียวพอพิจไปสักพักเอะไม่สบายขึ้นอีกแล้วเอาก็ปรับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวจึงเป็นผลพวงของการบําบัดทุกขเวทนาเพราะนั้นเราก็ใช้การเคลื่อนไหวสอนขึ้นมาใหม่โดยการเจตนาที่สร้างการเคลื่อนไหวขึ้นมาแทนที่จะให้มันเคลื่อนไหวเองก็คือสร้างการจังหวะมือขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ตั้งของตัวรู้ เราก็จึงหนามยอกอานหนาบง่งเมื่อเวทนามันเกิดจากการเคลื่อนไหวเพราะเราไม่สบายก็เคลื่อนไหวให้มันมันรู้เพื่อที่จะหเห็นความสบายและไม่สบายเพื่อจะถอนโดยสมุทัยอยันนั้นในละะนักษณะจะตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วความคิดมาเราค่อยรู้ว่ามันมีเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาอย่างยุ่งใหประณีใช่ไหมเห็นปะฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ นะฮะเพราะฉะนั้ <laughs> พอสวะราก็เผลอคิดอะแต่เรายังไม่แยกไข่พอที่ไปดูต้นเหตุมันใช่ไหมเมารู้มันเผลอแล้วก็เดินจงกรมเท่านัังจังหวะสู้อย่างเดียวสู้อย่งนมันก็ยังคิดอยู่ในีนั้นใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าความคิดอันไหนเป็นธรรมารมความคิดอันไหนเป็นตัวสติทํางานนะตัวสติบางครั้งเราตั้งตั้งใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหม ก็คิดไปได้แต่ว่าถ้าหากเราคิดแล้วเราไม่ทําำจะคิดแล้วไม่จบตรงนั้นก็เป็นฟุ้งซ่านและเป็นสังขารแต่ถ้าเราคิดแล้วทาตามเสียทําตามแล้วก็จบก็เลิกคิดตรงนั้นเป็นปัญญาแต่โคตตัวไหนความคิดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่มันไม่ได้มารบกวนอะไรเรามันทาหน้าที่รู้แล้วก็ผ่านไปตรงนั้นเป็นธรรมาลมเพราะนั้นความคิดไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกิเลสทั้งหมดนะ แต่มันเป็นสติปัญญาก็มีมันเป็นธรรมารมณ์คือหน้าที่ของจิตจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์เป็นทางผ่านของอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตมันไม่ทําหน้าที่ตรงนี้จิตก็ทําหน้าที่ผิดแสดงว่ามีอะไรผิดปกติบางอย่างที่จิตมันไม่รับรู้เวลาไม่รับคิดนะ่ะมันต้องรับรู้อะไรผ่านตาไปก็รับรู้แล้วก็เหมือนนกมันคิดอะ่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรผ่านหูเข้ามาอันนี้เสียงนกก็นรู้ว่าเสียงนกไอ้นกอะไร ก็ผ่านไปอันนี้เสียงกแกดิ้งจกใช่ไมถ้าเรารู้จริงจกก็ห่านไปก็ไม่ได้คิดไ่้จริงจกตัวนี้มันสีดําด้วยสีแดงมันตโตอ้หรือโตผอมอะไรไม่ได้ไปคิดต่อตรงนั้นนะเรารู้แล้วก็ผ่านอันนี้ไม่ใช่ความคิดเป็นหน้าที่ของจิตอถ้าเราไปโอ้วันนี้ฟุ้งซ่านทั้งวันความจริงมันไม่ได้ฟุ้งซ่านหรอกนะแต่มันสลับกันไประหว่างบางครั้งสติปัญญาที่จะต้องคิด จะทำอะไรหมอไม่เหมอะคนไม่ควรเนี่นะเป็นหน้าที่ของสิ่งมัใช่ความคิดบางครั้งไอ้เรื่องนะั้นเรื่องนี้ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตรงนี้เขาเรียกทำอารมณ์หน้าที่ของจิตแต่เราไม่รู้แยกตัวเองแล้วก็ขคิดหมอเป็นความคิดทั้งหมดตรงนี้ไปสังเกตดีๆนะแยกขายนะตัวลงใครมีเวทนาประสบการณ์ทางเวทนาจะแชร์ต่อบ้างไหมครับมรดกการหลวงพ่อนะครับวันนี้ตั้งแต่ทานข้าวเพนเสร็จ เที่ยงผมพลังใช้การเคลื่อนไหวมือเพื่อเพื่อดูเวทนานะครับอาศัยหลักเดิมจากที่หลวงพ่อได้สอนไว้เริ่มเข้าใจรูปน้ำที่ที่ส่งส่งลงหลวงพ่อการที่จะเข้าใจเห็นเวทนาชัดเนี่ยตัวสติของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ในประมาณ7 0ถึงปเอร์เซ แล้วจะไปรับรู้เวทนาอีกประมาณยี่สิสามสิเปอร์เซ็นอันนี้ผมก็ยังยังใช้อยู่นะครับท่นี้ก็ปฏิบัติไปตั้งแต่เที่ยงจนถึงเกือบบ่ายสองโมงเปลี่ยนเปลี่ยนขยับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยก็เฝ้าดูจะจะเห็นชัดตอนมันเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเกิดขึ้นระดับกลางแล้วก็จนหยาบอยู่ในสภาพที่ที่จะต้องเปลี่ยนแต่ตอนที่ ที่พอเราเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้บางทีบางครั้งเนี่ยยอมรับเลยว่าบางทีมันดูไม่ทันที่หลวงพ่อเคยบอกให้ดูจุดเปลี่ยนทีนี้พอถึงบ่ายบายช่วงบ่ายสองโมงเนี่ยก็นั่งมันอยู่ในท่าคุกเข่าเนี่ยพยายามเล่นเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกบกายเยอะๆนะครับขยับไปขยับมานั่งคุกเข่ามั่งนั่งแบบทับส้นมั่งแล้วก็ นั่งแบบใช้ใช้หัวเข่าขึ้นไปนะครับแต่นี่มันก็เกิดมันมันเหมือนกับว่ามันมันมีสะสมเพราะว่าระยะเวลามันนานมันเป็นไปตามกฎตายรักนะครับก็นั่งยกมือไปยกมือไปมันก็เกิดความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกับว่าจะใ ห, จะให้จะให้จิตเนี่ยสั่งกายว่าจะให้เลิกเลิกนั่งเพื่อที่จะไปไปเดินตรงกลม มันออกมาเป็นความคิดพอผมเห็นความคิดผมก็รู้ว่าไ อ, อ้นี่มั น, ม, นมาหลอกให้เราเกิดความอยากให้เราเลิกเลิกทำํำพอผมรู้ความคิดดับผมก็นั่งยกต่อจนครบเอ่อครบเซตก็คือครบท่ายืนที่ ท, ที่ที่การเคลื่อนไหวมือครับบพึ่งพึ่งครั้งนี้พึ่งเคยเห็นว่าทุกครั้งไม่เคยเห็นว่าเวทนาทางกายเนี่ยมันมันกระทบจิตแต่เที่ยวเนี้เห็นชัดเลยมันออกมาการทํางานของมันเนี่ย จิตมันสั่งออกมาในรูปของสังขารปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดเป็นความคิดแล้วมันก็ปรุงต่ อ, อมาให้เกิดความอยากเพื่อที่ให้เราเลิกทำวันวันนี้เห็นชัดใช่ครับเห็นโดยทนางจิตเลยครับมันสั่งออกมาให้เราเลิกทำมันออกมาสั่งเป็นในในรูปของความคิดความคิดออกมาลอยๆว่าไปเดินจงกรมดีกว่าอะไรแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ผมก็ผมก็ดือ้อผมก็นั่งทาต่อผมไม่ผมไม่ไปตามเขาครับ ผมก็ทนกระแสผมก็นั่งยกมือเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆจนครบท่ายืนนะครับมันก็หายมันก็ไม่สนใจไปทมนต์เวทนามนก็ไม่มีความรู้สึกอีกไอ้้ไอตัวที่สั่งงานมันก็หยุดสั่งงานไปเพราะว่าเราตัดเราตัดต้นตอคือความคิดแล้วไม่ทําตามไปวันนี้เห็นชัดเลยว่าว่านี่คือตัวตัวสาเหตุของมันที่มันสั่งสั่งให้เราเลิกเลิกทํา นานแล้วครับไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าส่วนมากมันจะไม่เคยกระทบจิตก็จะเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนไปบ่อยเป็นคุณปีชาก็เห็นครับวันเนี้ครับผมผมชี้ให้แกดูว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ต้องให้คุณปีชาเล่าให้ฟังก็เป็นนว่าได้ข้อสรุปว่าระหว่างต่อเชื่อมต่ออีบุตรต่อรีบุตรเพราะว่าเธอริ่งพอยจุดนั้นเราเน้นกันหลายครั้งว่าดูความสบายความรู้สึกสบายทางกายที่เรานั่งเนี่ยใหม่ๆมมันก็ค่อยเปลี่ยนไป แก่ไปเป็นตัวไม่สบายทีนี้ีี น, น้จนแก่เข้าแก่เข้าแก่เข้าโอ้ยทนาสุกเวทนามันเกิดใช่ไหมพอมันเกิดแล้วก็เริ่มแก่และพอเกิดปั๊บมันแก่เลยนะปีปั๊บเนี่ยมันแก่พอแก่มามันก็เริ่มเน็บเริ่ปวดขึ้นพอแก่แล้วมันก็ชักจะอยู่ต่อไปได้ไหมไม่ได้ละมันต้องตายท่านั้นนะคือตายจากท่านั่งท่านี้มาเกิดใหม่ เป็นท่านี้เอ๊ะแล้ว ร, ระหว่างที่เธอหนึ่งพอยคือจุดที่เราจะเปลี่ยนนโยบุตมหาจากที่มันตายจะมาเป็นเกิดใหม่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกปฏิสนธิปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นตรงเนี้ถ้าเราจะรู้ว่าเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนดูตรงนี้ให้ชัดถ้าดูตรงนี้ชัดแล้วเราจะรู้เลยว่าเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนะเพราะตรงนี้ก็เรียกเป็นเป็นปฏิสนธิจิตเพราะมันเห็นระหว่างความต่อเนื่องระหว่างความรู้สึก ความไม่สบายหายไปใช่ไหมแต่ความสบายเกิดขึ้นและในจุดเล็กๆ เ, เนี่ยพอเรานั่งต่ออะความรู้สึกสบายนั่งต่อไปสักพักมันก็ลุ่มกฎของอาจารย์ทางานทันทีเลยนะเพราะนั้นอนาจารย์ก็คือการเกิดคือการเกิดแล้วก็แก่มาเป็นสักพักหนาขึ้นหนาขึ้นแน่นขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจดู ไม่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนมันมันก็ไปเป็นอะไรจากทุกขังละมันก็เป็นอนัตตาอะไใช่ไหมทีนี้เราอย่าให้มันไหลไปถึงอนัตตาเราตั้งใจสใส่เจตนาแล้วก็ตั้งใจเขาเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนไอเทอร์นิ่งพอยด้วยนะเห็นจุดเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บเป็นปัญญาละแล้สั่งสมตัวรู้ปัญญานี้ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นตัวชมิเชมนานแล้วต่อไปจุดเปลี่ยนตรงนี้ก็ทําให้เรา สามารถทําให้เกิดความเบาสบายเราเกิดในทางที่ดีแล้วพราะเรารู้จักมันจะเปลี่ยนในทางเป็ น, นหนาตาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเกิดเป็นปัญญาซะเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเรืเ่อยๆมันก็เลยง่ายแทนที่จะไปเกิดถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็เป็นตัวตันหาวิภาวะตันหาคือไม่ชอบไม่สบายใจเกิดเบื่อหน่ายลาคันงุนกิจตามมาละที่เปลี่ยนไปแล้วนะแต่พอเราตั้งใจใเปลี่ยนมันเกิดความเบาสบาย ป, ปลอดโปร่ง เกิดการรู้การเข้าใจสภาวะของสังขารทํางานแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนที่พอดีเป็นมัชฌิมาปฏิบัติกาความเบาพร้อมก็เกิดเมื่อร่างกายเกิดความเบาพร้อมจิตใจเกิดความเบาพร้อมเกิดกายะและหูตาจิตตาและหูตาความเบาด้วยก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยที่ว่าตัวนี้ทาให้เกิดปัญญาได้อย่างไรคฉะนั้นในอมายัปเสมอในในเวทนา อในเวทนาให้เบาบางใช่ไหมบทที่แรกกุมารสูตรมาว่าข้อที่สามว่าหนึ่งมีศรัทธาจะทำเรื่องนี้สองให้ลงมือทำสามทาด้วยเวทนาที่เบาบางไม่เวทนาที่หนหน่วงแน่นเหนียวเจ็บปวดรว ด, ดร้าวไม่มีท่านไม่ได้เ น, นอย่างนั้นให้เวทนาเบาบางแต่ใช่ใช่เให้มีอาพาธน้อยอาพาธก็คือทุกเวทนานั่นเองให้มีทุกเวทนาน้อยแล้วเวทนาในส่วนอ สุขเวทนาก็อย่าให้มากเกินไปให้เบาบางเหมือนกันถ้าสุขเวทนามากเราก็ไปเสพใช่ไหมอดเสพไม่ได้ก็เป็นเวทนาที่หนักไปในทางกามตัคหานะกีรมาหานุโยคใช่ไหมถ้านหนักไปทางนั้นก็จะไปกามวะสุขานิการนุโยคอ่่เห็นมเพราะนั้นในส่วนเนี้ยมันจึงเป็นปัญญาไม่ได้สุขเกินไปทุกข์เกินไปแต่พอปรับทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เกิดความสมบูรณ์พอดีกับมันเกิดเป็นปัญญา <c oughs> ตัวนี้เองก็เรียกเตือนนิ่งพอยตรงนี้คือมาจากตัวอทุทกกรรมสุขกเวทนานั่นเองระหว่างสุขทุกข์เชื่อมต่อกันถ้าเราไปทำทันตรงนี้ป๊ออานาตากลายเป็นปัญญา <c oughs> การได้เห็นการเกิดขึ้น ต, ตลอดแล้วก็ปรับให้มันการเกิดไปสู่การแก่เนี่ยให้มันพอดีกันซะอย่าให้มันเกิดจนแก่ตัวนี้ก็เป็นศีลละจะตั้งใจจะทาตัวนี้ให้ต่อเนื่องก็เป็นสมาธิเราเห็นชุดนี้ชัดเจนก็กลายเป็นปัญญา ใช่ไหมสิ่งที่ปัญญาก็เกิดจากอันนี้จังทุกขังหน้าตานั่นเองเพราะการตามรู้เวทนาไม่เชื่อเล็กๆเลยนะเป็นเรื่องใหญ่แต่เนื่องจากเราขาดความแยกขายด้วยเราถูกครอบงําด้วยความคุ้นชินหรืออวิชามาตลอดชีวิตการที่จะมาจับตรงนี้ให้ชัดๆเนี่ยต้องพยาพยามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยาพยามอีกแต่เนื่องจากว่าเราได้รับข้อมูลจากการเรียนรู้ทางาศาสนาในเ ย, ยอะเกินไปทําให้เราคิด ไปต่างๆนานามีเรื่องข้อมูลเยอะเหลือเกินคนไทยรู้เรื่องพุทธศาสนาเยอะเหลือเกินในที่สุดกลายเป็นไม่รู้ไปเลยนะมันไม่รู้ในถูกที่จุดที่ถูกต้องมันไปรู้จุดที่ไม่ถูกต้องรู้เยอะแยะไปหมดแต่เอามาใช้ไม่ได้แต่รู้ควจุดที่ควรจะใช้กลับไม่รู้แต่พอมันเน้นให้เห็นกันมัน ก, นกลับเป็นเรื่องไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเรืองนเนี้ยแต่ความจริงตัวนี้แหละมาทําเรื่องนี้มาตลอดนะแต่ก็ ยากตรงที่ว่าเราถูกป้อนข้อมูลในเรื่องอื่นซื่อในหนังสือในอะไรต่างๆร้อยทั้งร้อยมันจะเป็นเรื่องพาพาออกจากจุดนี้ไปนะแต่ถ้าเรามาตอกย้ําตลอดคอทของเราถ้าพยายามตอกย้ําจุดนี้โดยตลอดประเภทติดติดจับติดจะเกาะติ ด, ต ด, ตดหรือภาษานัแมลงว่าไงนะกัดไม่ปล่อย <laughs> กัดปล่อยปล่อยอยู่ภาษาไม่้่าเกาะติดเรื่องเนี้ย ก่อนตีลึกเวทนาเนี่ยตั้งแต่หลับตั้งแต่ตื่นเตือนตืนหลับอ่ะมันมีแต่เรื่องเดียวนีแหละที่ปรากฏใกล้ชิดกายใกล้ชิดใจที่สุดแต่เราก็มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกบ่อยๆแล้วก็หลุดไปพย า, ายามกลับมาใหม่อีกบางทีขานไปหลายนาทีผ่านไปหลายชั่วโมงละเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายไปแก้นะไปแก้เป็นส่วนที่ขาดหายไป ไปเติมในส่วนที่มันขาดหายไปให้เต็มดูเราจะทำจนไปถึงกระทั่งพรุ่งนี้ยันไปถึงทักห้ามงครึ่งหกโมงเลยดีไหมเพราะว่าพรุ่งนี้มีแขกมาวันประมาณสี่โมงหรือสี่มง้าโมงอาจจะรับแขกตัวนั้นนิดหน่อยว่า นิยมที่มาเข้าคอสกับหลวงพ่อสุโนที่ท่านมาจาัอดคอสอยู่เชียงรายเนี่ยท่านจะมาเยี่ยมที่แรกท่านจะมาเมาื่อวานนี้วันที่สามสิบโอ้มาเยี่ยมแล้วไม่มีประโยชน์ให้มาวันที่ยีิบเก้าเนี่ยจะได้มาคุยมาสนทนาธรรมกันด้วยโอเคท่านจะมาพรุ่งนี้นะแต่ผู้เสียงท่านสี่ห้าคนเพราะคุณเปิ้ลที่ดูแลท่านอยู่เดี๋นี้คือมาปฏิบัติกรัรเราหลายคอสที่ครูสติ นั้นก็เลยว่ามาก็ามาแต่ว่าได้มีประโยชน์ได้พูดคุยกันแยวโยมั่มงนะพรามีอะไรมาแจกค้อนเนี่ยเอาอะไรมาแบ่งปันกันท่านโอเคท่านก็มาเีย็นโอเคเนาะไม่มีอะไรถามไม่มีอะไรสงสัยนะ